ทันธรรมยังอริยธรรมคาถาโยธนามะเสยญาติาคาญาติคาเยอาจลาุปติปสาตาในพระสรรมกฏของผู้ใดตังมั่นอย่างีไม่หวั่นไหวที่ลนจายัจจัมรยานังอริยตัณฑ์บาสัมิต แท้สิ ia, film, ่งของผู as well as ้ใดงดงามเป็นที่สรรเสิญที่พอใจของพระอริยเจ้าตังแกปัจจาโยยะสัตติอุสุภัมมัญาสัาความเลื่อมใสของผู้ใดมีในพระสง์และความเห็นของผู้ใดทรงอาตาริโสติสังฆว ชาชีวิตมันดิสาวเรียเขาผูนั้นว่าคนไม่จนชีวิตของเขาไม่เป็นมันตาขมาทกการชาตรัจามาจาทางกรรมสตสนังอาุยุตเจริเทวสรงผู้นันสัสนังพระยา เมื่อระลึกง่าถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ผู้มีปัญญาควรต่อสร้างศรัทธาดีความเลื่อมใสและความเห็นธรรมให้เรียง